องค์ดรายพระสัมพุทธไผ่เราะมากกับรายการนี้ถูกแต่งไว้รอร้อง ผมก็จําไม่ได้พอพอคิดๆครับเรามักจะ พอผมแกร่งเดินเลยนิดเดียวมีเสียงๆขึ้นมาทันทีคือพอมีการ โคคริสเตียนฮอลล์ลองเพลย์กับมาร์คแต่ ลองลองได้อยู่นี้นะอืมต้องดู Khannu Pra phu เราต่างแต่ไรอยู่ Jung de Ratshmi มีวันนี้ห้อย จมซึมอารมณ์เรื่องนั้นพอรู้สึกตัวจะกลับตกลงมาในตัวมันเองเข้าใจมั้ยครับคือพอเข้าไปในอารมณ์แล้วมันหลุดออกมาแล้วกลับ เด็กๆซาวไปคอนเสิร์ตฟังคอนเสิร์ตอันนี้โย่ๆกันมาผมครับคนไม่รู้ เมื่อคนได้ลูกคนแรกเป็นลูกชายแล้วก็พูดไม่หยุดปากแต่พอได้ลูกมาหลายแล้ว จะเป็นนักกระโดดข้ามรั้วไม่มีรั้วให้กระโดดเป็นนักกระโดดข้ามรั้วมันเถื่อนมากๆเราคิดจะเอามาใช้เห็นมันเถื่อนมากเรา อารมณ์ที่เรามีนะครับเช่นเป็นอารมณ์ต่างๆเนี่ยที่จริงมันดีนะฮะแต่ว่าถ้าเราไม่มีพลังที่จะควบคุมฝึกปรือให้มันเชื่องเพื่อใช้งานให้เหมาะสมนะครับมันทําร้ายเรามากๆเลยเข้าใจมั้ยฮะการที่ไม่มีอารมณ์เลย ครุ่นสติปัฏฐะนี้เกิดว่างเปล่าขึ้นมาไม่มีอารมณ์ครับมันจับอะไรไม่ติดเลยแล้วมันมันเป็นไม่เป็นลมเป็นแล้งไป ถ้าเราเดินก็เหนื่อยเดินก็เหนื่อยอย่างไปที่หัวถนนนี่ บุคคลจะต้องชอบที่ทํางานเลี้ยงชีวิตครับขยันที่จะทํามาหากินซึ่งซึ่งเป็นหน้าดังนั้นถ้าเราเป็นละกิเลส ผมเห็นเพื่อนในหลายคนทีเดียวลมและเนรนาถทว่าเขาจะผิดต่อสิ่ง รับจ้างบทไม่ไม่ใช่ครับไม่มีใครเค้าจ้างอาชีพขอพระท่านครับขอเค้าก็เป็นอาชีพหนึ่งแต่ว่าขอไม่ให้ก็ไม่โกรธให้มากก็ไม่ว่าธรรมะตัวเองปฏิบัติแล้วก็แนะนํา คนเราต้องมีอาชีพครับอาชีพเป็นองค์ประกอบเป็นองค์มรรคองค์จริงมั้ยฮะหรือจะเป็น คือมีความคิดนึกกับมันมีผมคิดนึกกับมันเข้าใจมั้ยครับถ้าความอยู่ในอยู่ถ้ําอยู่ถ้ําสัก 1 ร้อนใจเข้าเมืองอยู่ นี่เพื่อนผมคนหนึ่งเขาเล่าฟังว่าเพื่อนของเขาอีกคนนั้นคลั่งธรรมะมากจนไปอยู่ถ้ําปวดบัญชี ถ้าเป็นผมผมไปเหมือนกันแต่กินแล้วให้มันจ่ายดีมั้ยครับคนไปอยู่ถ้ําก็ต้องวัดน้อยจริงมั้ยไอ้นี่เข้าไปอยู่ถ้ําเอาเชิงนั้นนั่นเองเพื่อจะกลับมาถล่มเพื่อนอย่างนี้ใช้ไม่ได้เลย เอ่อในเบื้องต้นครับส่วนคําพูดที่ว่าไม่มีอารมณ์นะครับเช่นที่พระเจ้าใช้คําอนารมณังปราทจากอารมณ์ซึ่งเป็น สง 2 คุณสีนวนไปหาก่อนผมมาผมท่านจะเหาะได้ครับคุณแล้วครับเหาะไปทําไมเดินนี่สบายดีถ้า มันชมมีวิดีโออะไรฮอตได้ต้องตกๆมันก็เปียกไอ้ความคิดระเหมือเพ้อฝันแล้วก็ลมหายมันแฝงอยู่ในคนครับแล้วมาจากออกมาในรูปของความอยากมีฤทธิ์ถ้าชาวเลยครับอยากมีฤทธิ์ก็อยากมีอํานาจเหมือนกัน อยู่กับกินง่วงกับนอนคราวหนึ่งนะครับสารนุสิทธิ์ของสำนักหนึ่งนึงเค้าจะไปเนี่ยมีฤทธิ์ยืนอยู่ฝั่งนี้ให้ อยู่ก็ดื่มกินล่ะพระญาณามก็ดื่มเนี่ยฤทธิ์ก็อย่างนั้นเรา ถูกรบกวนอยู่แทบจะทุกบ่อยนะครับฉะนั้นชีวิตจริงคน มันง่ายดายอย่างไรนะครับที่วัดหนึ่งเนี่ย บัวไถ่เดินขึ้นมังครานเต็มทางเดินไปโรงธรรมที่สวดมนต์นิสชา ถูกปลุกด้วยเสียงเกียก็โกรธครับรำคาญมันลุกมาต่อว่าทําอะไร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 อาจารย์บอกว่าถูกแล้วลูกเอ๋ยถูกแล้วเราเป็นพระเราก็ต้องทําอย่างนั้นแหละทีว่าเราต้องคํานึงถึงชาวสวนชาวไร่ นี่มันมันกันบากกับทนไม่ได้เนงก็บอกว่าท่านอาจารย์ครับ 2 mm. ข้อนี่มันขัดกันอยู่แล้วพรุ่งนี้จะปฏิบัติยังไงนี่ล่ะเพราะว่าจะเอาเยทอย เรื่องเช่นนี้นะครับแล้วเป็นเรื่องตลกไร้ค่าไร้เหตุผลแต่ผมคิดว่ามีอะไรสาระลึกๆตรงใดๆทั้งสิ้นใน 2 คนนั้นเต็มไปด้วยเหตุผลเต็มไปด้วย กันนำเรามาปฏิบัติชนิดนี้นะครับเรากําลังปฏิบัติเพื่อคุณจะพบว่ามัน อีกตัวหนึ่งก็เห็นอยู่ตื่นอยู่นึงก็เห็นอยู่มันก็ขาดออก ถ้าอาการชนี้เป็นไปเองนะครับนั่นแสดงความรู้ๆแล้วครับดังนั้นอารมณ์ที่เข้ามาเนี่ยตั้งอยู่ได้ไม่นาน ที่จองลาวนั้นมี 2 ชั้นครับชั้นผิวหน้าซึ่งครับเนื่องจากเราอยู่ภายใต้สิ่งแวดล้อมจัง 300 กว่าวันคิดไปถึง เราความรู้สึกตัวสดๆนี่เปรียบด้วยน้ําในขณะที่กระแสคลื่นซึ่งถูกร้าวจากสิ่งรอบร้อมเข้า ก็ได้มั้ยครับเสียใจเฉยๆไม่มีอะไรมากกว่านั้นสมมุติ เศร้าแต่เศรื่อยจริงมั้ยครับเอถ้าคิดตามแนวของคนรุ่นใหม่ครับ เมื่อเมื่อบุคคลที่รักจากไปหรือเกิดเรื่องที่เสียใจ ตาของพระผู้มีพระภาคเจ้า วันนี้เราเข้าใจพระเจ้าเนี่ยไม่มีอารมณ์ก็กลายเป็นหัวตอเหมือนกันพุทธเจ้าครับเพราะ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 โสมนัสคือความรู้สึกที่เกิดภาวะที่ใจดีขึ้นมาสุมนัสนั่นเองครับโทมนัสคือนี้โทมนัสเป็นเป็นประเภทความครับเพราะฉะนั้น ดังนั้นท่านบอกว่าเมื่อเรามีความสุขให้โอ้โหเนื้อเต้นขึ้นมาแล้วสงสัยตัวเองครับเป็นปฏิกิริยาทางจิตแล้ว ดังนั้นคนที่ไม่ชอบเฉยๆหรือว่าชื่นใจค่อยมีชีวิตที่หดสั้นเข้ามาสั้นเข้ามา อย่างนี้แสดงคนที่แย่มากๆครับคืออารมณ์ยึดๆในทํานองตรงข้ามเพราะเค้าติคําเดียวๆฟังลองมั้ยตลกๆนี่ <laughs> คราวหนึ่งผมไปเยี่ยมญาติครับเป็นป้าสามีแกนอนปวดท้องแกนั่งหัวล้ออยู่ที่แกดูแลนะแล้วผมถามมันเป็นอะไรแกหัวล้อก็บอกใกล้ แกก็เหมือนโกรธพอรู้ดีว่าปัญญาปฏิบัติมโนกตินั้นจะค้น เมื่อเรารักใครเราคิดถึงเค้าจริงมั้ยครับหรือถ้าเราอ่างั้นความๆนั้นยังใช้ไม่ได้ครับจนเช่น เหล่าดมิเมตตา